ธรรมบทแปลเรื่องที่144เรื่องภิกษุส0สรูปข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระชิตวันทรงปรารบภิกษุส0สรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าห่างซาอาดิจปะปเทยันติเป็นต้นตอนผู้เจริญอิทิบาทย่อมห่อไปได้ ความพิสดารว่าในวันหนึ่งภิกษุผู้มีปกติในทิศมีประมาณ30สรูปเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพระอานนเทอระมาในเวลาที่ทำวัดแต่พระศาสดาเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วคิดว่าเมื่อพระศาสดาทรงทำปฏิสันถานกับด้วยภิกษุเหล่านี้แล้วเราจะทำวัดดังนี้แล้วจึงได้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตู แม้พระสัสดาทรงทำปฏิสันฐานกับด้วยภิกษุเหล่านั้นแล้วก็ตรัสคถาอันปรารภธรรมซึ่งเป็นเครื่องให้ระลึกถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ฟังธรรมกถาแล้วบรรลุพระอรหัตได้เหาะไปทางอากาศพระอนนเทเถระเมื่อภิกษุเหล่านั้นชักช้าอยู่จึงเข้าไปเฝ้าพระศัสดาทูลถามว่า พระเจ้าค่าภิกษุมีประมาณ30สรูปมาแล้วนะที่นี้ภิกษุเหล่านั้นไปไหนพระศัสดาไปแล้วอานน์พระอานน์ไปโดยทางไหนพระเจ้าค่าพระสัสดาทางอากาศอานน์พระอาโ น, น์ก็ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระขี่นาศพหรือพระเจ้าค่า พระสัสดาอย่างนั้นอาโนนภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมในสำนักเราบรร ล, ลุพระอรหันต์แล้วก็ในขณะนั้นหงทั้งหลายไปโดยอากาศแล้วพระศัสดาตรัสว่าอาโนอนอิทิบาศีอันผู้ใดแลเจริญดีแล้วผู้นั้นย่อมไปโดยอากาศดุดหงฉะนั้นดังนี้แล้วจึงตรัส ราคาถานี้ว่าหั i, i, ่งซาอาดิจัปเทศยันติอากาเซยันต ah ิอิทธิยานิยันติเีราโลกัมห้าเยตวามารังสวะหนังหงทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์ทีระชนชนะมารพร้อมทั้งพาหะแล้ว ย่อมออกไปจากโลกได้ตอนแก่อัดบัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งประกาศฐานั้นว่าหงเหล่านี้ย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์คือในอากาศก็อธิบาทอันชนเหล่าใดเจริญดีแล้วชนแม้เหล่านั้นย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์แม้ทีละชนทั้งหลายคือบัณฑิตชนะบานพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ย่อมออกไปคือย่อมสลัดออกจากโลกคือวะตะนี้ได้แก่ถึงพระนิพพานในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุส0สรูปจบ